สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เป็นวันจุดจีนขอพระเจ้าอวยพระพรเนื่องจากผมนั้นเป็นหลานจีนครับเพราะว่าปู่ามาจากเมืองจีนคุณพ่อเกิดเมืองไทยผมเกิดเมืองไทยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนไทยแต่เป็นลูกหลานจีนกันแล้วกันนะครับขอพระเจ้าอวยพ ร, พรให้วันจุดจีนนั้นพี่น้องจะมีพระพรหลั่งไหลามาเยอะแยะมากมายจากพระเจ้าที่เราทั้งหลายรักและเราบูชาเคารพนับถือ พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมทีบรูบที่สิบข้อที่สิบเอดผมจะอ่านจนถึงข้อที่ยี่สิบห้านะครับโปรดฟังพระเจ้ของพระเจ้าฮีบรูบที่สิบข้อสิบเอ็ดถึงข้อยี่สิบห้าฝ่ายปูโรหิต ท, ทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองเนืองเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาคือพระองค์เองเพราะบาปเพียงครั้งเดียว เป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนํามาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจและพระวิญญาณบริรสุทธิ์ก็ทรงเป็นพย า, ยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้จัดไว้แล้วว่า องค์พระมุเจ้าตรัส ว, ว, ว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเรากระทากับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอาธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปข้อสิบเก้าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้าบริสุทธิ์ วอยเรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประธานพันธั ญ, ญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทําอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทําความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างที่บางคนขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะทั้งหลายรู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องข้าพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นึกเตือนสติเราทั้งหลาย เกี่ยวกับพระธรมรมคีรูทั้งเล่มที่อ่านมาและที่อธิบายมาพี่น้องคงทราบดีนะครับว่าทางใหม่ซึ่งเป็นทางที่มีชีวิตที่ได้เปิดออกสำหรับทั้งหลายหมายถึงสิ่งที่องค์พระนเจ้าพระเยซูเจ้าของเรานั้นได้ทรงกระทําเพื่อเราพี่น้องครับพระเยซูได้ทรงกระทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือพรงทรงเป็นผู้ที่ถวายบูชาก็คือมหาปูรุหิตของเราและในขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นเครื่องบูชา ในท่อมพีตอนนี้ได้เห็นความจริงอยู่สองประการครับด้านหนึ่งก็คือกระบวนการการชำระเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์เมื่อเราได้รับความรอดกระบวนการนี้เป็นพัฒนาการฝ่ายจิตอิน ญ, ญาณของพวกเราเมื่อเรารับเชื่อในองค์พระ้เเจ้าแล้วชีวิตของเราจะต้องบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งกระบวนการการพัฒนาความบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูและสาหรับคนทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเยซูทรสงสิ้นประชนบนไม้กางเขนนี่คือความจริง ง, งดงามสวยงามมากกว่าการแรกชีวิตของพวกเราจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างการถวายบูชาในพิธีเดิมซึ่งเป็นการถวายบูชาที่ไม่รู้จักจบแต่มาจบอยู่ที่พระเยซูรคริสต์ครับการถวายบูชาที่ไม่รู้จักจบของปุโรหิตนั้นก็ไม่สามารถขจัดความบาปไปได้แต่ การสิ้นพระชนของพระเยซูเพียงครั้งเดียวก็กจัดความบาปได้ทั้งหมดถอยหลังไปในอดีตในปัจจุบันและตลอดกาลในอนาคตเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ ร, รับการสถาปนายกย่องยกสูงขึ้นและประทับณเบื้องขวาผัสของพระเจ้าพี่น้องครับการที่พระเยซูคริสต์ทรงประทับณเบื้องขวาผัสของพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงการยกระดับฐานะ ความสัมพันธ์ของพระองค์นะครับกับพระเจ้าพระบิดากับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งพระองค์ได้ทรงละไว้นะครับขณะที่พระองค์ได้เฉด็จมาในโลกนี้และยัง ส, สนับสนุนงานของพระเยซูเรื่องระบบการถวายบูชาในพระมิีเดิมซึ่งไร้ประโยชน์แบบไม่รู้จบพระเยซูทรงกระทำพระราชกิจเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องครับในข้อที่สิบสาม ผู้เขียนได้กลับไปที่เพลงสวดดีบทที่หนึ่งร้อยสิบข้อที่หนึ่งตรงนี้เองผู้เขียนเน้นถึงพระเจ้าได้สัญญาในเรื่องของพระบุตรว่าสิทธิพิเศษในการนั่งลงหรือพักที่พระอาทเบื้องขวาของพระองค์จนกว่าพระองค์จะได้ทรงกระทําให้ศัตรูของพระองค์นั้นเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์พี่น้องครับประเด็นนี้ถูกตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะเหตุที่พระเยซูทรงถวายบูชาหนเดียวพระองค์ได้ทรงกระทําให้คนทั้งหลายที่อยู่ชำระแล้ว ถึงที่สําเร็จเป็นนิดพี่น้องครับความจริงตรงนี้ครับเป็นความจริงที่พวกเราทั้งหลายจะต้องชื่นชมดีและขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรานั้นถูกสร้างถูกถ่ยถูกทําให้เป็นคนชอบธรรมถูกชําระและแยกตั้งไว้ในตําแหน่งของเรานะครับและถูกให้ทําให้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูพี่น้องครับเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์พี่น้องครับชีวิตของเรานั้นถูกแยกแล้วครับ ถูกถ่ายถูกสร้างและถูกตั้งไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์สำหรับคนเหล่านั้นที่ถูกทําให้สมบูรณ์พร้อมในพระคริสต์กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ดาเนินต่อไปเรื่อยๆนั่นคือชีวิตของพวกเราครับพี่น้องครับเมื่อเราเห็นชีวิตของพวกเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเราเห็นว่าชีวิตของพวกเรานั้นน่ารักขึ้นเรื่อยๆนะครับน่ารักขึ้นเรื่อยๆเพราะสวยงามขึ้นเพราะเหตุที่ ชีวิตของเรานั้นบริสุทธิ์ขึ้นเราคิดดีเราพูดดีเราทําดีมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือคำพยานของชีวิตของเราที่ได้บังเกิดใหม่ในพระเยซูน้องครับหลังจากนี้พระเยซูก็ได้เสด็จขึ้นนะครับสู่สวรรค์หลังจากที่พระองค์ได้ส่งชีวิตมาชนแล้วผู้เขียนก็ยกข้อความจากเยรมีบทที่สามสิบเอ็ดข้อที่สามสิบสามถึงข้อที่สามสิบสี่ได้บอกว่าพระเจ้านั้นทรง ทำให้เยเรมีได้กล่าวล่วงหน้าพยากรณ์ถึงวันที่พระเจ้าจะทรงทําพันกิจสัญญาทําพระสัญญาอีกอันหนึ่งกับพลภายของพระองค์อย่างไรก็ตามครับจุดสูงสุดของเยเรมีอยู่ในข้อที่สิบเจ็ดนะครับเพราะว่าการระลึกถึงความบาปอยู่เสมอทุก ป, ปีภายใต้พันสัญญาเดิมนะครับในวันลบมนทินบาปเยเรมีกล่าวชัดเจนครับว่าวันนั้นที่พระเรยซูจะมานะครับพระเจ้าจะไม่จดจําบาปและความชั่วร้าย ของพวกเราอีกต่อไปพี่น้องครับถามว่าทํำไมครับเพราะว่าไม่จําเป็นที่ต้องมีการถวายบูชาและพระเจ้าก็จะไม่จดจําบาปของเราเพราะพระเยซูได้ทําการถวายแบบสุดยอดเครื่องบูชาไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้าใจนะครับคําว่าถวายแบบสุดยอดของเครื่องบูชาก็คือครับก็คือตัวของพระองค์เองเมื่อมีการลบบาปแล้วก็จะไม่มีการถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปพี่น้องครับ และด้วยเหตุนี้ในข้อที่สิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบเอดนั้นได้บอกว่าเราจะต้องมีใจกล้าที่จะเข้าในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระเยซูคริสต์โดยผลิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตครับเป็นทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์พระเยซูนั้นได้เปิดออกสําหรับเราทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่องค์พระว เ, เจ้าของเราได้ทรงกระทําเพื่อเราโดยการเสด็จมารับสภาพเนื้อนหนังของพระองค์และการถวายตัวของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนในที่สุด ความบาปของเรานะครับก็จะเป็นโมคูคะนะครับโดยเนื้อหนังของพระองค์ม่านที่ถูกพูดถึงในที่นี้ก็หมายถึงสัญลักษณ์ที่สื่อเล็งถึงพระกายของพระเยซูนะครับและในข้อที่ยี่สิบสองถึงข้อที่ยี่สิบห้าก็พูดถึงว่าให้เราเข้ามาด้วยใจจริงด้วยความเชื่อและมีใจที่ถูกชำระชำระให้พ้นจากจิตที่วินิจฉัยผิดและชอบที่จะชั่วร้ายให้มีกายที่ถูกล้างชำระด้วยน้ําอันบริสุทธิ์ ยึดมั่นในความเชื่อที่เราทั้งหลายโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพันธสัญญานั้นทรงสัตซ์ซื่ออันนี้คือเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่จะหนุนจิตชูใจเราให้เรารักษาพันธสัญญาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพันธสัญญานั้นสัตซ์ซื่อครับทรงจะทรงทําตามพันธสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญและใส่ใจก็คือเราเองนั้น หลายหลาครั้งไม่สัตซ์ซื่อในการรักษาพันธสัญญาพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรักษาพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราไม่ต้องกลัวครับว่าพระเจ้าจะบิดพลิ้วเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงประทานพันธสัญญานั้นทรงสัตซ์ื่อขาพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ทุกท่านนะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์สวยงามนะครับเราจะมีชีวิตที่ถูกแยกออกถูกไถ่ เพราะฉะันสังคมในกิจจิของเรานั้นจึงควรที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์สวยงามนะครับเป็นที่สวายเกียรติแด่พระเจ้าให้กับกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพที่รัพี่น้องชลศุทุท่านในวันจุดจีนี้อาเมน